และังคำแนะนำแต่การปฏิบัติกรรมาฐานของทุกท่านที่ปฏิบัติที่นี่ในช่วงเวลาปฏิบัติจริงๆคือเป็นการฝึกมโนยิติแต่าว่าก็น่าจะศึกษากรรมาฐานโดยส่วน อ, อื่นไไปด้วยเพราะกรรมาฐานในพุทศาสนาหลักใหญ่จริงๆมี40แบบและ40กอง วันนี้ก็จะพูดพี่อีกองกองหนึ่งคือว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐ า, านคําว่าจาคาคือการบริจาคเดือกการให้ทานอันนี้การคำวมาจารคานุสติกรรมฐ า, านก็หมายความว่าันนึกถึงการให้ทานทานการให้ถ้าเราคิดอยู่ว่าจะให้คําว่าคิดก็มันหมายความว่า จะต้องคิดทั้งยี่ี่ชั่วโมงก็ไม่จําเป็นอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราคิดว่าถ้าใครมีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะส่งเคราะห์ได้เราจะส่งเคราะห์เราจะส่งเคราะห์คนเราจะส่งเคราะห์พระเราจะส่งเคราะห์ศัตว์จิตคิดอย่างนี้ไปเสมอท่านเรียกว่าจาคารุปติก็สําหรับจาคารุปตินี้ถ้าจะกล่าวโดยผล คือผลเรื่งการคิดบริจาคนี่ได้เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นตอนที่แล้วมาว่าพระติสะท่านแต่ว่าท่านนั้นถ้าไมเคยคิดว่าจะบริจาคมาคิดเอาแค่ปัจจุบันทันด่วนท่านเป็นคนยิงนกขายฆ่านกขายแล้วก็บังเอิญพระอรหันต์ไปบิฏิบาต ท, ที่บ้านท่านได้ความจริงที่ปฏิบัติท่านทำไมทราบว่าเป็นพระอรหรันต์ เวลานั้นเมื่อท่านเห็นพระมาเป็นบาทรแท่งมีความรู้สึกว่าเราทำบาปทุกวันบุญเราไม่เคยทำวันนี้พระมาะโปรดถึงบ้านเราก็อยากจะทำบุญจึงรับบาตรจากพระอรหันต์มาแล้วก็สั่งแม่บ้านให้ทำอาหารดีที่สุดในเนื้อนกที่แตนยิงมาแล้วก็เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระไป พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นาทานที่เป็นปัจจัยในท่านได้พระอราหันต์คือการถวายท า, ยา น, นครั้งเดียวในชีวิตต่อมาเกิดในชาติใหม่พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสขอบวชในพระศาสนาแล้วต่อมาที่จะเป็นพระอราหันต์ปริสมิท า, ายานพร้อมกับการานิพพาน จึงมีพระไปถามว่าบุญกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยพระติสระได้พระราหารนันติผ่านเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะกรรมที่พระติสระใส่บายพระราหันข้างเดียวในชีวิตไม่เชี่ยว่ากันไปทานบารมรีนี่ก็เป็นปัจจัยท้าเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเป็นพระราหารัน แเราจะไปดูคนอีกพวกหนึ่งซึ่งมีความสุขมากนั่นคืออนาธิปินกาเศรษฐีกับนางวิสาขามหาบอสิกาทั้งสองท่านในถ้าดูในประสู์จะปรากฏตามเรื่องราวของท่านความสนใจอย่างอื่นของท่านน้อยกว่าทานบารมีจิตมีความคิดอย่างเดียวคือการบริจาคทานการสงเพราะ ฉะนั้นอาศัยจิตประคิดเจ้าบอดจาาทายของท่านมีอยู่จิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความเยือกเย็นในเมื่อฟังเทศเจากพุทธเจ้ากันแรกพอเทศจบรายกลุ่ทั้งสองท่านได้ประสูติดาปฏิพน์ก็รวมความวาจารคานุสติมีผลมากแต่ได้พูดถึงการคิดการคิดวิจารคานุสติก็ไม่มีอะไรมาอนุสติแเวลาตามนึกถึง ในการคิดถึงการบริจาคทานการให้การสงเคราะห์มันก็เป็นศัตรูกับโลภะความโลภปกติการที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะต้องเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างยังไม่ดีแต่ว่าถ้าบาังเอิญบาปที่เป็นอกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งบังคับใจ ทาให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์ฉันบ้างอย่างนี้มีทุกหนักแต่ม่าก็มีความจําเป็นในขณะที่เราเวียนไหวใจเกิดในวัดตะเราจะเลือกเกิดเฉพาความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนาวฟ้าเป็นพรมนั้นไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องดูกําลังใจของเราเราจะไปดีหรือเราจะไปชั่วอยู่ที่กําลังใจ เพราะว่าเมื่อร่างกายมันตายแล้วร่างกายมันตายแต่จิตใจมันไม่ได้ตายไปด้วยถ้าเวลาจะตายจิตใจครบบาปอกุศลมันก็พาไปอบายภูมินรกเป็นต้นถ้าจิตใจครบกุศลกรรมความดีมีทานเป็นต้นก็ไปสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างจะรวมความประการตายของร่างกายไม่ถึงที่สุดของชีวิต นี่ก่อนที่เราจะตายสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆในกรรมฐานก็คือจาคานุสติยาคานุสติไม่เหมือนศีลานุธธสติศีลานุสติถ้าทําบ้างบกพร่องบ้างสิกขาบทสิกไหมสิกขาบทไห น, บ, ไหนบกพร่องสิกขานั้นเป็นโทษจุดที่เราบกพร่องเป็นโทษแต่ว่าจาคานุสติไม่มีโทษเพราะเรานึกแต่จะให้อย่างเดียวการนึกจะให้ ก็เป็นการทำลายโลภะความโลภเพราะเพราะโลภะความโลภอยากได้ของเขาเข้ามามาเป็นทรัพย์สมบัติของตนโดยไม่ชอบธรรมแต่จากคานวติอยากจะให้เขาให้มีความสุขอันนี้เป็นการตัดความโลภในตัวในเมื่อจากคานวติตัดโลภะความโลภก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคคลเราเข้าถึงนิพพานอนนี้ สำหรับการคิดจะให้ถ้ายะกล่าวถึงบารมีสิทธ์ท่านบอกว่าคนที่จะไปนิพพานได้จริงๆต้องมีบารมีสิทธิ์ครบถ้วนถ้ามีบารมีสิทธไม่ครบยังไปไม่ผ่านไม่ได้หรือว่ามีบารมีสิทธ์ครบถ้วนแต่ถ้าว่ากำลังบารมียังไม่เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไปนิพพานไม่ได้ เราก็มาดูกันเรานึ ก, กว่าจะให้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวบางโอกาสเราก็ได้มีโอกาสให้ด้วยขณะไหนที่มีโอกาสให้ขณะนั้นเป็นทานบารมีท่นี้เรามาดูบารมีสิบเทียบกับทานบารมีจะเทียบบางข้อให้มันดาเจ้าพุทธบริษัทตามไปคิดมันก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าพระวันยมืองต้องมีทานบารมีเต็ม สองต้องมีศินะบารมีเต็มสามมีปัญญาบารมีเต็มและมีเมบคาบารมีเต็มมีเนธธรรบารมีเต็มอย่างนี้เป็นต้นรวมความอย่างไหนนั้นก็ตามทั้งหมดต้องเต็มในปณิพานได้อันนี้บังเอิญเราจะเริยกรรมฐ า, านได้จาคานุสตรกรรมฐ า, านเราใช้อารมณ์ของเราคิดคิดเพื่อความเป็นสุขข้อเราและคิดเพื่อความเป็นสุขของ เ, า เ, อาเ ข, ขงเา คิดว่าวันนี้เราก็มีกินพอกินพอใช้แต่มันอาจจะน้อยไปหน่อยถ้าบางอื่นมีใครก็หิวโหวยมามีความทุกมาเราอาจจะแบ่งอาหารที่มีน้อยแล้วให้เขาบ้างเราบ้างพอกระทางชีวิตการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขถ้า ต, ต่อมาเมื่อคิดแล้วถ้าบางอืญนมีคนที่มีความทุกข์ยากมาจริงๆอย่างขอทานเอางี้แล้วกัน อย่างขอทานนี่มาขอทานเราเวลาที่เราให้ทานบารมีทุกอย่างต้องครบถ้วนบริบูรณ์อันดับแรกทุกคนที่จะให้ทานได้ต้องเป็นคนมีปัญญาบารมีเพราะปัญญาบารมีนี่เป็นบารมีใหญ่ถ้ามีปัญญาบารมีอย่างเดียวอีกเก้าบารมีครบถ้วนทั้งหมดเพราะปัญญาควบคุมถ้าขาดปัญญาบารมีซะแล้ว เราไม่สามารถจะให้ทานได้เพราะทุกคนหาทรัพย์สินมาด้วยความยากลําบากถ้าเราจะให้ทานคิดว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความยากเราก็ไม่ควรจะให้ใครต่างคนต่างหาต่างคนต่างใช้แต่ว่าสายปัญญาเรามีสร้างกําลังใจอย่างอ่อนให้ก็เกิดมีความรู้สึกว่าทานเป็นปัจจัยของความรัก ถ้าคนเราจะมีความรักในกันความเป็นศัตรูในกันก็ไม่มีต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเห็นหน้ากันยิ่มเยีมแจ่มใสรูหากันอารงณ์ก็ปริสุขธนี่ปัญญาบา ร, รมีจะตัดสินใจให้ทานน้าให้นะ่ะดีดีกว่าไม่ให้ศัตรูน้อยในบริการหนึ่งคนจะให้ทานได้เพราะสายมีเมตตาบา ร, รมีเมตตาแปลความรัก คนที่เรารักสัตว์ที่เรารักในเมื่อเห็นที่เขามีทุกเราก็สงเคราะห์โดยการให้ในการให้คนที่เรารักนี่เราจะทำลายศีลหรือเปล่าเราคิดอยากจะฆ่าเขาไหมไม่มีในเวลานั้นเพราะเรารักเขาเพราะคนที่ให้ทานสมมติว่าถ้าเขาของก็มีเราคิดจะขโมยเขาไหมเราก็ไม่มีจะรวมความว่าการให้ทานมีศีลนบธรรมีแน่ ต่อไปก็เนคขมะบา ร, รมีเนคขมะความบนรมีคืออดใจในด้านของข อ, งอนิวรห้าบระการมีความรักในระหว่างเพศเป็นต้นนี่ในขณะที่เราให้ทานเรามีความรักเรามีความสงสารให้เขาเวลานั้นกามอารมณ์ไม่เคยกับใจของเราเป็นอันว่าเวลานี้ก็มีเนคขมะบา ร, รมี แล้วก็ต่อไปเป็นปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็คิดต่อไปว่าถ้าการเราให้ทานนี้นอกจากจะมีสุขในชาติปัจจุบันแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าทานังสักุโสทานังทานต้องเป็นบรรดให้เกิดบนสวรรค์ปัญญาคิดไปอีกต่อไปเมื่อกําลังบา ร, รมีมีความเข้มข้นเข้า ปัญญาก็จะมีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ตามมีความสุขพอสมควรแต่ความสุขของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมันไม่ยั่งยืนนะักไม่มีการความสุขตลอดกาลตลอดสมัยสู้นิพพานไม่ได้ถ้ากําลังใจเขามรนด่าแนพุทธวิชิ เกี่ยวกับการกำลังจะให้ทานก็ดีเะากคิดจะให้ทานก็ดีหรือว่าให้แล้วก็ตามถ้าคิดว่าการให้ทานอย่างนี้เราทำเพื่อพลนิพพานอย่างนี้ถือว่าบา ร, รมีพองบรรดาสมุทรัตุรสบริษัทเข้าถึงขั้นบา ร, รมัตบา ร, รมีและคนที่มีกำลังใจถึงขั้นบา ร, รมัตบา ร, รมีนั้นเป็นบุคคลที่มีโอกาสในการที่จะสั่งสมบา ร, รมี ให้เข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายเพราะว่าการบกพร่องอาจจะมีเล็กน้อยอันนี้เราจะว่าวันนี้วันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐ า, านนี่ไดหากว่าการคิดไปให้ทานไปของดีการให้ทานนี่ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ได้ถ้ากำลังใจมั่นคงในทาน มีความหนักแน่นพอไปเกิดเป็นพรมก็ได้ท่นี้ว่าตามเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องพระติสะการให้ทานของท่านเป็นปัใจจัยให้ได้เป็นอ ร, า ห, ารหันต์ในชาติสุดท้ายพวกความบารมีการให้ทานเป็นปัจจัยเราถึงนิพพานได้เป็นอราหันต์ได้กำลังใจของเราจะมีความเฟื่องฟูเมียรมเป็นสุขจิตใจก็มีความสบาย การให้ทานกบรนดาจิตบริ ษ, ษ, ษัทหลายทีย่จะให้มั่นคงเอาอย่างนี้ถ้าประสงค์ให้จารคานติมั่นคงโดยเพราะอย่างยิ่งทานการคิดเรื่องทานอย่างเดียวอารมณ์จิตจะเป็นฌานไม่ได้แต่กำลังใจก็ไม่ต่ํากําลังใจสามารถกระทงอุปจารสมาธิได้ถ้าหวังการให้ทานเป็นฌานเป็นจาคานติเป็นฌานจริงๆ แล้วก็นึกก่อนภาวนาทุกวันที่เราทำจะเป็นเวลาไหนก็ได้ตามใจท่านตามท่านามีความสุขจะเป็นวันไหนก็ตามก็ถือว่าวันนี้เราจะให้ทานวันพวกนี้รจะให้ทาน้ใหทานในการก่อนก็ตามก่อนที่จะทำสมาธินึกถึงทานการบริจาคที่เราทำในเวลาไม่ทำสมาธิอย่างปกติอย่างฝึก นั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามถ้ามีลมว่างว่างจจา ก, การคิดอย่างอื่นว่าจะ ก, กายงานก็คิดทานที่เราให้มาแล้วเราเคยให้ทานกัสัตว์ในชานบ้างไหมจิตใจก็ยับทราบว่าสัตว์ในชานเราเคยให้เราให้ทานกับบุคคลวิญยากจนเข็นใจบ้างไหมจิตก็จะยอมรับด้วยความจําได้ว่าเคยให้ เราเคยจะไหว้เราเคยใส่บาตรน้าบ้านใส่บาตร ท, ที่วัดบ้างไหมจะหรืมมาการใส่บาตร ท, ที่วัดใส่บาตรข้างบ้านอันนี้เป็นสังฆทานก็ถือกี่ก็จะยอมรับว่าเราเคยใส่บาตรแล้วเป็นสังฆทานสังฆทานมีในสงศ์ใหญ่เราเคยจะไหว้เป็นสังฆทานในวัตถุต่างๆมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรถ้าไม่มีผ้าไตรแค่มีผ้าจีวรและสบงตัวหนึ่งแล้วมีวัตถุต่างๆมีบ้างไหม จิตก็จะยอมรับว่าสิ่ง น, นั้นมีตอนนี้จิตใจแล้วก็นึกถึงทานที่เราชอบทั้งหมดแต่ว่านึกทั้งหมดจะรวมตัวไม่ได้ขอช่างเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถวายทานกับพระสงค์หรือถ้าไม่เคยถวายทานพระสงฆ์ก็ถวายให้แก่คนให้แก่สัตว์แต่กวามจริงก็ทุกคนเคยถวายทานพระสงฆ์แล้วเอานึกถึงถวายทานพระสงฆ์ก็แล้วกันเพราะกําลังสูงมาก นึกถึงภาพนั้นว่าทานอย่างนี้เราเคยถวายพระสงฆ์และทานอย่างนี้ที่ถวายแล้วเป็นสังฆทานพระเป็นอานิสงส์ใหญ่มหกมากุสุมากและทานอย่างนี้เช่นการก่อสร้างจะสร้างโบสถ์สร้างสัญลาสร้างกุฏิสร้างทานน้ําสร้างจำพานสร้างซุ้มทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เราให้แล้วอันนี้เป็นวิหารฐานเป็นกำลังทานที่สูงส่งมากรวมความแล้วก็นึกถึงทานสองทานที่เราเคยให้นึกถึงภาพหลังจากนั้นก็เริ่มภาวนาเวลาภาวนาถ้าใจยังนึกถึงภาพที่ให้ทานได้จดจําไว้จาภาพไว้นึกถึงภาพนั้นเวลาภาวนาก็ใช้ทำภาวนาว่าพุโทโธ เวลาให้ใจเข้ า, ข า, ขานึกถึงพุทธให้ใจออกนึกโธเวลานั้นเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปดีวกว่าได้จะได้เห็นภาพถวายสังฆทานที่มีพระพุทธรูปดีวกว่าได้หรือว่าเอื่นจะนึกถึงภาพสิทธวายทานแต่ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรการภาวนาพุทโธไม่ขัดกับอะไรทั้งหมดดีทั้งหมด ส, ส่องเสริมทุกอย่างก็ภาวนาว่าพุทโธ เมื่อภาวนาแล้วเมื่อภาวนาไปภาวนาไปบังเอิญภาพที่คแล้อโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฝ่ายกันสมาทานสิงแล้วสมาทานสกรรมฐานแล้ว <c oughs> การเจริญสกรรมฐานเป็นการรวบรวมกํากลังใจให้จุดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านที่เป็นุญศนนี่เป็นเฉพาะสมถะภาวนา ถ้าเป็นมิปัสนาพาวธนาคืใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาหาความจริงให้รบมันจะได้หมดทุกคนเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็อาศัยมีความโง่เป็นปัจจัยถ้าหมดโง่แท้มันก็หมดทุกข์ ความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนเข้็ไปรับนั่ น, บบ น, นเะ็นอำ น, นาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชามีการจเจริญภาวนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไปหรือว่าที่เราเรียกันว่าวิาวปัสสนาญาณแต่ว่าวิปัสสนาญาณนี่จะตายเต้าคึ้มันได้จะถึงวิปัสสนานแจ่มใสก็ต้องมีทานะบรนีเราะเป็นการตัดความโลภ มีสินไมยสุดแล้วก็มีฌานสมาบัติเป็นเครื่องทรงตัวให้ปัญญามันดิเกิดอันนี้ท่านท่าตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่มีความสําคัญอันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกำลังจิตเตือนนักเมตตาบารมีอันสมานเณรไปสุดหน้าต่างข้างหลังเนี่ยนากเมตตาบารมีนี่เป็นสำคัญที่เคยพูดแล้วในไวัก่อน ในนี geht es, geht so e. Donc, ่เรียกว่าก็มีหางสี่ถ้าต้มีหางสี่เราทรงตัวอยู่ได้ทุกเสิ่งทุกอย่างมันกระทบสนบริบูรณ์โดยนี้คืออะไรคือว่าต้มีหางสี่มีครบทั้งศีลทั้สมาธิทั้งปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเบิกขาถ้าเป็นมิจฉาเนียนเขาว่าสังขารุปเกขขายานตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญ แปล ว, ว่าความดีที่จะทรงได้นั่งก็อบรรดาพกท่านนั่งนับศีลให้ครบว่าศีลเนี่ยต้องนั่งนับอยู่ทุกวันนั่งนับตลอดวันเคราะวัด ส, สำหรับเคราะ์วัดเป็นปกติถึงก็เจอศีลห้าตั้ห้องก็จะสมาทานศีลแปก็ถือว่าเป็นศีลพิเศษเป็นศีลโทมจันทในงานีนสูงสูงมาก ถ้าเราจะรักษาสินป้ะเรทไหนก็นั่งนับสินไห้ครบตลอดเวลาแค้มันบกตร้องหึืมันเลนดูสินสิสนสบเกษตรสิบวัตถุยี่สิบห้ารวมมีสินสินทั้หมดเป็นแดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยิบอุยามวิ่งอย่างเด็กก็ไม่ได้นะี่ยจะลงนรกไปบทเล น, นให้มันขึ้นสวรรค์จะบทเล น, นให้มันลงนรก พระกะนั่งนับถึงสองร้อยี่สิบเจ็ดแต่ความจริงมันไม่ถึงสองร้อยยี่สบเป็นสองรอยเก้าสิบหกนี่เป็นสิขาบทแน่นลอยเป็นสองร้อยเก้าสองร้อยสี่สิบเจ็ดเ็มันตัดทิ้งไปแ้ตัดไปอีกสี่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกขาบทนี้ไ ป, ปรบพนนวากวาสมียามว่างอ่านจะเขาไว้ ทุกวันตอนยินเราได้ฟังพุทธินายก็ความมั่นใจอ่า น, น, น, นว่าในนวากะว่าขึนด้วยจะได้รู้ว่าศีลขอมันมีอะไรบ้างถ้าบวชธรรมแล้ ว, วามศีลไม่พบลงนรกแน่นอนเพราะมันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นศีล น, นี่มันจะเป็นเป็นคนอยู่ไม่ได้เป็นเทวาดาไม่ได้เป็นพรหมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือศีลไอความสําวงความเป็นพระมันก็ไม่มี ให้ความโลภมันเข้ามาทับทมหัวใจอารมณ์อิจฉาดิสกิรยาที่มันจะเกิดขึ้นความประมายเกิดขึ้นสร้างความชั่วมาใครก็ไม่ว่าเขาปะหาว่าเขาแกล้งแกล้งความเดือดร้อนมันก็เกิดในเรื่องของศีลทวินัยนี้ถ้าเราปฏิบททัติเสร็จครบถ้วนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวเนี่ยปล่อยเขาไปคนดีเรากลวคนดีเขากลั ว, วเพราะเจ้าว่า นี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยมันตัวถ้าหาว่าสิลงของเราไม่ทุกข์ทนเราก็เอาดีไม่ได้เลยพระเพ็นงมีสิ้นอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์จะมีแต่ของแท้มันของเทียมอันตรายมากสมมติสงฆ์นี่โงนนรกง่ายเหลืเกินนี่ถ้าเราได้ทานสมาบัติท่านก็ยังไม่เรียกพระถ้าเป็นทานโลกี ถ้าได้ตัแต่พระโสนาบันขึ้นไปฉัน ต, ติอะไรพวกพระสารวัตรก็เป็นตระพระก็เป็นรระเนนก็เป็นพระถ้่หาว่าเราอยู่ในชาลโลกีทํายังไงยังไงท่านก็ไม่เกี่ยวกัพระยังเป็นสมมติสงฆ์นี่ ส, สารวัตรระวังให้มา ก, กนั่งกายควบคุมกําลังใจให้ทรงไว้ในความดีคือโตสมาธิจิตท่านจะทำแบบไหนก็ได้มันมีสีสิบแปด แล้ก็สอนไม่แต่เพียงแบบเที่ยวเป็นตัวยืยนโดยสังขัญคืออานาปานุสติก็มาสานนอกนั่นไปหาเองคนตาหนักตำรามีแล้วเมื <c oughs> ่อการที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวนี่ก็ใช้อนาปานุสติไม่ทรงตัวถ้ามีอานาปานุสติทรงตัวเสร็จแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับพารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทั้งเขียนมาเกิดตาย ยังมีคนหลายคนมาถามอีกจะไม่ใช่พวกเรารนักศึกษก็มีแล้วฟังก็อกฟังแล้วก็จะมาถามว่าทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านพอถามเขาแล้วว่าเราอยากจะบอกให้แกรีบเดินลงมาลบกุศลเลยแล้วบอกก็บอกแล้วทำลายก็อ่านแล้วมัจะมาถามอีกคนประเภทนี้เอาดีไม่ได้เจ้าดียังไงตามีดูหูมีฟัง ดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่า ท, ทําไมจริงๆๆไม่มันไม่ทรงตัวแล้วก็ดูทรงเด็ดฟังทรงเด็ดปล่อยมันข้ามหัวไปปล่อยผ่านตาไปนี่การรวบรวม ก, ก, กาลังใจของท่านทหลายเทรง ส, งสมาธิลองดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยังอึดมันไม่สบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสิบนั่งนับหนึ่งถึงยี่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นว่าไป ยังรายอะไรมนมลพาโน่นแลองถ้าต้นใจเรียนธรรมถ า, านถ้าส่งเงิซื้อไปตาอาทิตย์เดชจะตอบมาพอาด้รับต้องซื้อแรกก็จะประนามพาโสติแนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบทำไมเอาแะ่นับหนึ่งถึงห้าร้อย ว่านับหนึ่งถึงห้ารอยกยังไม่ต่ำถึงห้ารอยารมณ์จิตสว่างห ล, ลับตาอยู่มีความสว่างใช้กับคนคนจิเกียวไว้รอบตัวเมื่อแกก็ตกใจใจลืมตายไปมาความสว่างมันก็หายไปมันก็ดับไปเวลาตาเป็นใหม่ว่านับหนึ่งไปจะประมาณถึงห้ารอยแะก็บอกแสสว่างมันเกิดขึ้นนั้นถ้ า, าอารมณ์เขาสมาธิเกิดขึ้นเหยเม่ก็มีอาการแสงสวางสส่างเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นทีวิต แต่ทางนี้ก็ไม่ได้เหมกันทุกคนบางคนมีสมาธิที่ช้านันก็นเลยใส่ไม่สว่างถ้าเฝ้าสว่างมาอยู่ภายในจิตให้อนาบานุสติใจกำหนดรูลมหายใจเขาออกให้ขอทุกท่านพยายามสรงให้มาให้ทาให้ช่องรีบทําให้เร็ว น, นั่งตัว น, นั่งปับหลับตาปุ๊บจับอนาบานุสติครับให้จิตมันตรงตัวเลย แล้วเนึกพับอยู่ใั้จิตกระทรงตัสวทันทีอย่างนี้ที่เรียกชื่อว่าเป็นผู้งเข้าถึงธรรมทิ่จริงๆถ้าเราอยนั่งไลเ่เบียกันอยู่นั่งนับลมหาใจเข้าหาใจออกไปบนับหนึ่งถึงสิบสักหนึ่งถึงยี่สิบสักหนงถึงสามสิบมันก็ยังไม่เอาสามบาทีถ้าการอย่างนี้แล้วก็นานอ่างนานอยู่แล้วก็พยายามทำไปให้ถึ่งชื่อว่าความดีเนี่ย เราทําว่าเดี๋ยวเดียวไม่ได้เราทําทําไปทํำบ่อยๆไปมันก็มีการสะสมสัวมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองนี่การทรงจริตป็นสมาธิให้ทุกท่านนึกใหม้มนกอันนี้เฉพาะอย่างเงี้ยนึกถึงศีลให้หนักพยายามควบคุมศีลให้บร้สุทธิ์บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีล น, นั้นตเตลิดเตลิดเอิ่มไปไม่ยาไปเถือนายุไปสาคัญฉันบวชนายกว่านะทําอะไรก็ได้ อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกคุณว่าคนบวชนะบนดช้าบวเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกพระวินัยยังไม่ให้โาขาจะชายุกบกคบุคคลนัล่นก็จงจงอย่าใช้คำว่าลืมอย่าใช้คําว่าเผลอลืมลึกอเสอตามพระวินัยถว า, ยาไยสงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ก็าตามพบกลับตาม ถ้าปรับทัศนคิมในก็ตั้งใจไปเลยว่าเราลง เ, เ, เราจะลงในรักขมไหนกันแน่ตั้งใจเทไวว่าตายแล้วไม่เรียบายไม่ต้องพาสนักพญายม ล, ลงไปเลยถ้ามันลงแน่นอนนี่ความบำมบัดพระวินัยมีกันอยู่มากในกีต่อก่อนรู้สึกว่ายจะนทนลงตัวกันมากเลยกันมากก็รู้สึกสลดใจหนา่าดูพระมาเห็นว่าทําไมเนาะจึงไม่ได้สนใจผู้อืน่นไหน ถ้าไม่สนใจพระวินัยเอาอะไรไม่รียกว่าสินสองรอยี่สิบเจ็นักฆ่าน้าเท่าสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบแล้วก็เราจะไปชินทำบาตรชินข้าวเขาได้ยังไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกทศพระมันมีสินสองรอยี่สิเจ็ด อันนี้มาเกาควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกำลังใจด้วยน า, านากาปกติที่มีความสาคัญนี่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสมถะภาวนาปาัหาหาความจีิงได้ดรือยๆเลยสก่อนคือมันนั่งนึกดูว่าร่างกายของเรานี่มันสกรปรกแล้วมันสกปรกสนอาดผมขนเล็บปันหนังเนื้อ<ม>ลายเบียยไปตามแบบลําคาหรือเปลา่า มันนั่งดูที่อุจาระเขาสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้าลายสะอาดไหมทำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างหยาดๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดต่อตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่าง